ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายเห็นจีวรของท่านเศร้าหมองก็กล่าวว่าขอท่านจงรออยู่ข้างนอกสักหน่อยเถิดเจ้าข้าคือเป็นพระบ้านนอกจริงๆเลยนะปอนมากเลยนะเพราะคิดดูว่าราคาบาทหนึ่งก็ไม่รู้เอาผ้ามากี่ชิ้นน่ะมาต่อก็คือดูแล้วไม่ไม่น่าเลื่อมใสนะไม่น่าจะเข้างานแบบราชการแผ่นดินใหญ่โตขนาดนี้นล้นิมนต์อยู่ข้างนอกก่อนเถอะพระเถระคิดว่าเมื่อพระขี่นาศพคือพระาดหันเช่นเราไม่สงเคราะห์พระราชา ผู้อื่นใดใครจะสงเคราะห์ได้ น, นะถึงให้รอเอาท่านไม่ท่านไม่ไม่เดินไปก็ได้ท่านก็มุดดินไปเนี่ยนะท่านก็มุดลงในแผ่นดินไปรับอาหารที่เขาจัดไว้สําหรับพระเถระผู้เป็นประธานสงไปนั่งอาสนะแรกเลยไปนั่งอาสนะแรกเลยเนี่ยนะขณะท่านเป็นพระขีนาศบอย่างนี้ท่านไม่ปราถนาว่าขอประชาชนจงรู้จักเราว่าเป็น ถ้าขีหนาศพเนี่ยนะไม่อวดอ้างตัวเองไม่อะไรเนี่ยนะคือคนที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยคนที่ร้องขอกินตลอดเนี่ยยังว่าคนหิวหรือคนอิ่มขอหน่อยหน้าแบ่งหน่อยหน้าอะไรเนี่ยนะคือลักษณะแบบหยิบโน่นช่วยนี่กินตลอดเวลานี่เป็นลงลักษณะลักษณะเราใดแล้วคนที่เรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลาล่ะคนมักน้อยเนี่ยจะไม่เป็นคนที่เรียกว่า เรียกร้องความสนใจไอ้พวกลักษณะคนมากๆคือเรียกร้องแต่หาแต่ความสนใจหาว่าตัวเองมีอะไรเด่นตัวเองมีอะไรดีแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเที่ยวประกาศบอกให้ผู้อื่นนั้นยอมรับนี่นะยอมรับแต่ผู้ที่มักน้อยจริงๆแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมทําไมคนมักน้อยทั้งหลายจึงจึงไม่โฆษณาตัวเองว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีความวิเวกเป็นพหูสูตรเป็นผู้ปรารจความเพียรมีสมาธิปัญญา หรือตลอดจนถึงมีวิมุตต์บรรลุมรรคผลไปแล้วเนี่ยทไมเพราะท่านอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนยอมรับมีความสุขโดยโดยลำพังตัวของท่านอยู่แล้วเนี่ยนะจนไม่รู้ว่าคเราว่าเหมือนกับกับกงสะดาเนี่ยมันหักหักนี้หมดแล้วอะ่ะก็เลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้คนอื่นมาเคาะมาขอร้องมาอ้อนวอนหรือมีความสุขอยู่กับ ถ้อยคำไม่กี่ประโยคของคนอื่นโอ้ดีนะเก่งนะฉลาดเนาะมีศีลดีนะเป็นยังคือไอคําทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ฟังมันเหมือนกับเสียงนกเสียงกาอยู่แล้วเนี่ยนะคือไม่ได้คิดว่าถ้อยคําเหล่านั้นมันคือเสียงสวรรค์เนี่ยนะเป็นเสียงสวรรค์ที่ว่าโอ้คนอื่นชมว่าเราเป็นคนมีศรัทธาและยิ้มแหมมีความสุขมากเลยเนี่ยนะถ้าคนอื่นแนละคนเดียวกันบอกว่าไอคนนี้ไม่มีศรัทธาแล้ววันหลังเนี่ยจะเสียใจขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าวันหลังทงถ้าเราไปที่ไหนแล้วโฆษณาว่าเป็นคนมีศีลแล้ว ถ้าเกิดไอคนเดียวที่ชื่นชมนั่นแหละบอกว่าทู่ศีลแล้วอย่างเงี้ย น, นะจริงไม่จริงก็ไม่รู้แหละว่างั้นเถอะแล้วจะคิดยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีความมักน้อยจริงๆนั้นจึงไม่คือไม่ค่อยให้ความสําคัญว่าคนอื่นเขาจะวิจารณ์ตนเป็นเป็นอย่างไรเนี่ย น, นะที่จะต้องไปเที่ยวอะไรนะเขาบอกว่ามีอยู่อันหนึ่งในมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขามีเรื่องอเศรษฐีคนหนึ่งเขาไม่เชื่อว่ามีพระอารหันต์จริง มีวิธีการก็ได้บาดไม้จันมาอันหนึ่งบาดไม้จันมาอันหนึ่งแล้วก็มากลึงนะได้ปุ่มไม้จันแล้วมากลึงเป็นบาดแล้วไปแขวนไว้นะถ้าใครเป็นผ้าอรหรันห่ะเอาแล้วกันนะ ถ, ถ้าห่ะมาจึงจะให้ถ้าไม่ห่ะไม่ให้ไม่ถวายทั้งนั้นเอาอวดกันว่าอารหันกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะก็เลยในที่สุดก็พระปิรินทวชชาท่านก็ห่ะไปเอา แล้วก็ได้บาทมาเนี่ยประชาชนมาบอกโอ้นิมนแสดงฤทธิ์ให้ดูหน่อยนีมนแสดงฤทธิ์ให้ดูหน่อยท่านก็โมแต่แสดงฤทธิ์อ่ะนะวัดเนี่ยดังกระหึ่มหมดเลยเนี่ยนะคนเนี่ยแห่เดินตามพระพระปิรินทวัตฉนิ่ยเมากเลยพระพุทธเจ้าบอกเสียงอะไรเหมือนชาวประมงแย่งปลาบอาก็ท่านพระปิรินทวัตฉาไปเหาะมาเนี่ยโยมก็ถอยบาทมาอันหนึ่งพงตําหนิเหมือนกับอะไรเหมือนกับสตรีผู้เปิดของลับให้ผู้อื่นเนี่ยนะ คือคือตำหนิคือคือถามว่าไพเราะไหมล่ะเหมือนกับว่าแบบเป็นคําที่เรียกว่าถือว่ารุนแรงมากในทางคําสอนเราก็เหมือนกับว่าทําไมจะต้องทําอะไรกันขนาดนั้นเพื่อที่จะต้องการเหมือนกับว่าทําเรียกร้องความสนใจเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับถามว่าจําเป็นขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะเหมาะสมเลยหรือฉันใดถึงมีจริงก็ช่างเพอเนี่ยนะตอนหลังพระ อ, องค์ก็ สั่งให้ทุกบาทนั้นเลยนะไปบทเป็นยาหยดตาไปอะไรไปแล้วพระพิสุก็เลยเลือกใช้บาทไม้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ปรับบัญญัติอีกนะว่าถ้าผู้ใดแสดงฤทธิ์เป็นอบัตแสดงแบบวิกุปภนาฤทธิ์แปลงร่างประเภทแบบนั้นเนี่ยนะไปเหาะเหินเดินอากาศให้คนอื่นดูแสดงอะไรแบบลักษณะแบบนั้นเป็นอบัติอีกตั้งหากเลยนะพันแอลลักษณะนะั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยคือคือที่จริงแล้วท่านทําด้วยเจตนาที่ดีนะพระเปรินทวัชชะทําด้วยเจตนาดี แต่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นเพราะพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าของพระาศาสนาพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ว่าเป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระองค์บอกแสดงแต่งตั้งบรรัญญัติเปิดเผยสิ่งนั้นดีจริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พระอรหันตทั้งหมดยังไม่เคยออกมาประท้วงคัดค้านว่าท ร, รมววินัยของพระองค์นี้ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะก็มีแต่ศรัทธาแล้วก็มีแต่ยอมรับน้อมรับด้วยเสียงกราวกันเท่านั้น พระเรยกเจ้าทั้งหลายน้อมรับคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยด้วยเสียงกล่าวด้วยเนื้อหัวพระชีวิตของท่านก็เหมือนกับว่าคือพระอรหันต์ทั้งหลายรับใช้คนเดียวคือรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้พระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสด า, า, า, าของท่านเนี่ยนะผู้เป็นศาสดาของท่านเพราะฉะนั้นพระศาสดาแสดงสิ่งใดบัญญัติสิ่งใ ด, ญญ ด, งใดท่านรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นการไกลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นการไกลก็มีการยอมรับเนี่ยนะเพราะ การปฏิบัติธรรมของพระเรียกเจ้าทั้งหลายจึงเป็นไปตามคําสอนเนี่ยนะจึงเป็นไปตามคําสอนย้อนกลับมาอ้าวแล้วมักน้อยดียังไงเนี่ยนะถ้าตั้งคําถามมาอ้าวแล้วถ้าเรามามักน้อยมัวแต่มักน้อยแล้วใครจะรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะดีจริงหรือทา ม, มัวแต่คอยปกปิดซ่อนเร้นความรู้ความสามารถของตัวเองมีอะไรที่จริงมันก็ควรจะโฆษณาออกไปไม่ใช่หรือทําไมจะต้องปกปิดแบบนั้น ก็บอกว่าคือถึ ง, ถงโฆษณาไปแบบนั้นถ้ามันไม่ดีจริงแล้วถามวยาระยาวอะไรจะเกิดขึ้นเนีย่ยนะไปตลอดรอดฝังไหมอย่างเขาบอกว่าคนที่ทุกข์มากก็คือคนที่ตอนต้นได้รับการยอมรับอย่างสูงส่งตอนหลังไม่มีการไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้เฉาตายค่อนข้างไวเขาบอกงั้น็เขาเข า, เ า, เามีสถิติเยอะเหมาะสมควรเลยนะคนที่เคยได้รับยกย่องในทางสังคมและตอนหลังเนี่ยถูกปล่อยให้ โดดเดี่ยวคนเหล่านี้แห้งแรงแล้วก็อายุสั้นกว่าปกติพอสมควรเหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการยอมรับซึ่งอดีตตัวเองเคยเป็นที่ยอมรับของสังคมก็แสด ง, สงว่าการยอมรับเหล่านั้นเบื้องต้นดูเหมือนดีแต่ตอนปลายไม่ดีแต่ส่วนผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยสารคุณคือมีคุณธรรมแล้วก็มีคุณธรรมที่ต่อเนื่องเนี่ยนะ จริงๆแล้วคนมักน้อยนั้นสามารถยังลาบที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำลาบที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มั่นคงอยู่ต่อไปขณะเดียวกันก็ทำจิตหรือทำใจของผู้มีศรัทธาของเหล่าทายกให้ยินดีให้มีศรัทธาได้อย่างยั่งยืนก็คิดดูว่าถ้าพระพระอรหันต์พระเรียเจ้ารุ่นแรกๆเลยเป็นคนที่มักมากเป็นต้นเนี่ยนะาศาสนาอยู่ถึงเราไหมผว่า โอ้ยหมดไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะหมดตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเนี่ยนะแต่เนื่องจากท่านเหล่านั้นดํารงอยู่ด้วยคุณธรรมท่านเหล่านั้นจึงดํารงอยู่ใน ส, สิ่งที่เป็นสาระแล้วก็เป็นแก่นสารท่านก็เลยรักษาพระศาสนายั่งยืนมาจนถึงยุคปัจจุบันถ้ายุคปัจจุบันประพฤติ ด, ดีและปฏิบัติชอบเป็นไปตามคําสอนศาสนาก็ยั่งยืนอีกนานแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่มีการประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบถึงจะเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องศรัทธาเขาก็ไม่ ศรัทธาเพราะถามว่าทำไมเพราะไม่สามารถจะยังจิตให้ตั้งไม่สามารถรักษาความเลื่อมใสของของเขาในระยะยาวได้แต่ผู้ที่มักน้อยจริงๆนั้นสามารถรักษาศรัทธาของของทายกหรือของผู้ให้ทานเนี่ยนะของผู้ทาบุญทั้งหลายให้ยั่งยืนและยาวนานอธิบายว่าจริงอยู่ภิกษุผู้มีความมักน้อยนั้นย่อมรับเอาแต่น้อยเพราะตนเป็นคน มากน้อยโดยประการใดๆเหล่ามนุษย์ผู้เลื่อมใสในวัดหรือข้อปฏิบัติของท่านย่อมถวายมากโดยประการนั้นๆเนี่ยนะคือเขาก็จะเลี้ยงดูให้ท่านอยู่อย่างสบายแหละว่างั้นเถอะเขาก็ผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายเาก็ไม่ปล่อยให้อ่เดือดร้อนอยู่แล้วละเนี่ยนะก็สามารถที่จะยังอ่ะอะไรนะยังศรัทธาหรือยังจิตของผู้ที่เลื่อมใสให้ยั่งยืนอยู่ต่อไป อีกในหนึ่งเนี่ยนะอีกรูปแบบหน 1, России, cosa, 3, age, 4, 4, ance, ึ então, ่งพวกมรคน้อยมีอยู่4ประเภทด้วยกัน1มรคน้อยในปัจจัย4 2มรคน้อยในทุดงสมมรคน้อยในปริยัติ4มรคน้อยในอธิคมเอมรคน้อยในปัจจัยเป็นยังไงเขาบอกว่าผู้มรคน้อยในปัจจัย4ชื่อว่าเป็นผู้มรคน้อยในปัจจัยผู้ที่มรคน้อยในปัจจัย4ี่เนี่ยนะเขาบอกเอ๊ะทำไมเราต้องมรคน้อยในปัจจัย4ด้วยน่าจะสังสมมาเยอะๆใช่ไหม น่าจะสั่งสมมาเยอะๆแล้วจะดีสำหรับคือดูเหมือนดีในตอนต้นแต่ว่าไม่ดีแท้ในตอนหลังเนี่ยนะเดี๋ยวค่อ ย, คอยกล่าวอีกทีหนึ่งย้อนกลับมาว่าผู้ที่มักน้อยในปัจจัยเนี่ยนะเขาจะหนึ่งรู้ความสามารถของทายกสองรู้ความสามารถของทายธรรมสมรู้กำลังของตนเช่นถ้าทายธรรมมีมากของเนี่ยเยอะแหละ แต่ผู้ให้ทายกคือผู้ให้เนี่ยต้องการจะให้แต่น้อยก็รับเอาแต่น้อยตามความสามารถของทายกคือผู้ให้เขามีเยอะแหละแต่เขาต้องการให้น้อยล่ะเขาก็เอาแต่น้อยสิเพราะเขาอยากให้น้อยจะไปเอาเยอะทําไมเหมือนกันอย่างที่สองทายธรรมมีน้อยแต่ทายกมีศรัทธามากจะให้มากจะถวายมากก็รับเอาแต่น้อยเพราะอะไรเพราะทายธรรมคือของที่เขาให้เนี่ยมีน้อยทีนี้ถ้ามันเหลือเฟือทั้งสองอย่าง ไตรธรรมก็มีมากพายกเขาก็ต้องการจะถวายมากทําไงรู้กําลังของตนรู้อวัรุกรู้พอความพอดีว่าตัวเองสมมติว่าเขาให้อาหารมาเยอะแยๆไปหมดเลยเนี่ยนะเขาก็ถวายาจะเอาไปกี่บาทกี่บาทก็เอาไปเถอะยังไงนะเอาอิ่มเดียวก็พอเนี่ยนะก็ เ, เอาแค่ตัวเองอิ่มก็เพียงพอแล้วที่เหลื อ, อไปทําอะไรอีกเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าคนที่มักน้อยในปัจจัยทีนี้ถ้าเอาปัจจัยไว้เยอะๆมาสั่งสมอะไรจะเกิดขึ้น สมมติถ้าสั่งสมปัจจัยคือถ้ายิ่งสะสมสตังไว้เยอะๆเนี่ยนะก็เร า, ามีสตังหรือเรียกว่าอะไรนะรับสตังเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นไปตามธรรมนินามอยู่แล้วล่ะถามว่าถ้าสั่งสมด้วยจะไปถึงไหนกันเนี่ยนะเดือจะมีคิดว่าจะ ม, จะ ม, จะมีจะมีความสุขเลยใช่ไหมใช่ไหมโดยเฉพาะชีวิตนักบวชทั้งหลายเนี่ยพมันพระอาหารหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าใครที่สะสมปัจจัยไว้เยอะคนนั้นก็สะสมศัตรูไว้เยอะเนี่ยนะ ก็ก็คืออะไรลาบสการะทั้งหลายปัจจัยสีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งริศยาเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะไปเห็นใจคนคนบริบูรณ์ไปด้วยลาบสการะหรือคนที่มั่งมีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่คนทั่วๆไปเห็นใจสักเท่าไหร่นะถามว่าเขาทำไงเขาก็ต้องการเรียกร้องว่าเรียกร้องอะไรเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ นั่นอย่างคนที่ อ, าอ่างพระพิสุทั้งหลายถ้ามีปัจจัยเยอะๆเนี่ยท่านก็เท่ากับสะสมศัตรูไว้เยอะแล้วเนีสังเกตดูว่าคนจนเลยมีศัตรูไหมเอาจริงๆเลยเนะีหมดคนหมดตัวเลยเนี่ยนะมีศัตรูไหมบอกไม่มีถามว่าพระราชาเนี่ยมีศัตรูเยอะไหมยิ่งพระราชาโบราณเนี่ยบอกว่าศัตรูมากเนยนะศนะัตรูมากเขาบอกอะไรนะอย่างพระเจ้ามิลินเ้าบอกว่าผู้ชมพงบวชไม่ได้เราถ้าบวชยมอมคงอายุไม่ยืนเพระเาะทาไมบอกยมศัตรูเยอะมากเนยนะนะ คือคือคนที่หวังดีปรารถนาดีเนี่ยไม่มากใช่ไหมอย่างเขาบอกว่าผู้นําทั้งหลายอย่างสมัยใหม่ก็เหมือนกันผู้ที่ผู้นําทั้งหลายเนี่ยศัตรูเยอะนะถามว่าทําไมศัตรูเยอะก็เพราะกว่าจะมาเป็นผู้นําได้ล่ะเพฉะนั้นผู้ที่มีอํานาจมีปัจจัยทั้งหลายโดยมากก็ต้องทําใจเลยว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีศัตรูเยอะเนี่ยนะมีศัตรูมากเพฉะั้นถ้าวะพระพระพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายมีปัจจัยเยอะๆะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเหนะ ก็ต้องมีคนไปคอยอารักขาเนี่ยต้องมีทหารยามอยู่หรือเปล่าอยางี้ก็ไม่คงไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยนะนี่ต่อไปผู้ที่ปรารถนาน้อยหรือมักน้อยในทุดงคือหมายความว่าท่านรักษาทุดงมักน้อยในทุดงว่าไม่ต้องไปรักษาทุดงไม่ใช่อย่างนี้หมายความว่าตัวเองเป็นพระที่ทุดงทุดงเนี่ยแปลว่าองค์คุณของผู้ขัดเกลวทุดงเนี่ยนะทู่ตะมาจากคําว่าทูตะทูตะเนี่ยแปลว่าขัดเกลวขูดเกลว์ อังคะเนี่ยนะทุตะบวกอังคะเรียกภาษาไทยว่าทุดงเนี่ยนะไม่ใช่ดงคือป่านะไม่ใช่เลยทุตังคะเนี่ยนะทุตะอังคะหมายก็ว่าองค์ของผู้ขัดเกลาตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ขัดเกลามากแต่ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลานี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มักน้อยในทุตังคะหรือในทุดงเนี่ยนะ เขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุดงเนี่ยถึงรักษามาขนาดไหนก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเป็นผู้รักษาทุดงอย่างเช่นพระมหาสุมาธีระเนี่ยปกติแล้วท่านถือโสโสสานิกังคะทุดงอยู่ป่าช้าเนี่ยนะทุดงประเภทอยู่ป่าชา้าท่านอยู่ป่าช้ามา60ปีแม้แต่ภิกษุสักรูปหนึ่งอื่นๆเนี่ยไม่รู้เลยว่าท่านเป็นพระที่อยู่ป่าช้าเป็นวัดต่อเนื่องกันมา ปีแสดงว่า60ปีตอนนี้พระรูปมีอายุ80ปีว่าท่านบวชมาตั้งอายุเท่าไหรบวชพระได้ก็ต้อง20แหละมังนั่นท่านก็เลยบอกว่าเราอยู่ลำพังคนเดียวในป่าช้ามา60ปีเพื่อนก็ไม่รู้เราโอ้เราในยอดของผู้รักษาโสสานิ ก, กังค่าตทุดงเนี่ยปีตีไม่ใช่วังนันคนที่คิดได้อย่างนี้มีความปราบปลื้มใจมีความ ส, สุขสุขอยู่ภายในโดยที่ไม่ต้องสุขจากคาชื่นชม จากคนอื่นเนี่ยนะมีความสุขอยู่ในตัวอยู่แล้วว่างั้นหรืออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะพระเถระพี่น้องที่อยู่ในเจติยบันพศพระเถระองค์น้องรับท่อนอ้อยที่อุปถากส่งมาถวายเสร็จแล้วก็ถือท่อนอ้อยเนี่ยไปยังสำนักของพระเถระผู้พี่ชายแล้วก็พูดว่าหลวงพี่นีมนฉันสิพระเถระเนี่ยท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็ม้วนปากเรียบร้อบ้วนปากล้างปากเสร็จแล้วเนี่ยนะพระเถระก็บอกว่าพอแล้วละผมไม่ฉันลนะพอแล้น้องชายก็เลยถามว่าเอาแล้วหลวงพี่ถือ หรือว่าพันเตเนี่ยท่านผู้เจริญถือเอกาสนิกักงฆ่าทุดงหรือเออเอ้อยมาก็ได้ขอฉันอ้อยแล้วกันนะเปลี่ยนประเด็นแล้ไม่คุยถึงเรื่องทุดงเลยต่อเลยนะน้องชายพูดเรื่องทุดงแต่ไม่พูดเรื่องทุดงเออนี่เอาเอ้อยมาแล้วท่านก็ปกปติเนี่ยท่านรักษาทุดงมาเนี่ยไอถืออาสนะเดียวนั่งฉันอยู่ที่เดียวเนี่ยมาห้าสิปีท่านปกปิดไม่ให้น้องชายท่านรู้เลยว่าท่านรักษาทุดงมาเนี่ยนะแต่แล้วก็ท่านก็ ฉันเสร็จฉันอ้อยเสร็จบ้วนปากอัธิษฐ า, านทุดงต่อไปเอ๊ะถ้าถามอย่างงี้มีมายาหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าบอกไม่ท่านเป็นผู้ขัดเกลวเนี่ยนะไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ทำเพื่อต้องการขจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในภายในไม่ใช่ท่านเป็นคนมีมายาบางคนเรียนตรงนี้ไม่ดีเอ๊ะเนี่ยทตัวแบบนี้ก็มีมายาสิหลอกลวงสิ คำว่าหลอกลวงแปลว่าตัวเองไม่มีคุณธรรมแล้วเสแสร้งให้คนอื่นมีคุณธรรมแต่ถ้ามีคุณธรรมแล้วไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้เรียกว่ามักน้อยเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและไม่ต้องการให้ใครเข้าใจหรือเห็นใจใดๆทั้งนั้นแหละพวกนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นคนมักน้อย